บรรจัณ น, นะครับกับการเดินทางของความคิดวันนี้เราฟังความคิดของพระอาจารย์บอวชลเมธีนะครับและคุณนิรุตสิริจัญญานะครับผ่านทลางคืนและคุณป๊อปอารีาสุริโสภานะครับผ่านทลางคืนความคิดฟังไม่ทันเราก็มีเป็นเว็บไซต์นะคร radio.mcot.net และภมิสันเสริญปัญญาที่วงในการจัดรายการใี้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในทุกคืนนะครับใครจะเดินทางไปเชียงใหม่พรุ่งนี้เย็นนะพรุ่งนี้เย็นไปเชียงใหม่ เจอกันในวันเสาร์วันอุดที่สิบสองสิงหาคมวันแม่นะครับเป็นงานแม่ลูกผูกพันรักสัตว์รักป่าที่เชีย ง, งใหม่ที่เชียงใหม่ในสาฟารีพบกับกิจกรรมเที่ยวชมสัตว์ป่าและพิธีการเลี้ยงลูกตามธรรมชาตินะครับเรียนรู้ชีวิตสัตว์กลางวันกลางคืนมีทั้งม่านาน้ำผู้ดนตรีอุ้ยน่าดูมากแล้วก็มีพิธีจุดเทียนใช้ถวายพระพรพิเศษนะฮะคู่แม่ลูกเข้างานฟรี น่าสนใจเพราะฉะนั้น12สิงหาคมนะครับถ้าหากว่าต้องการจะไปเชียงใหม่เชียงใหม่ใ nice, น safari ผมบอกก่อนเลยวันนี้เย็นผมไปเชียงใหม่นะครับเราแต่จะคุยคุยรุษผ่านทาขึ้นความคิดนี้อยู่นะครับเพราะว่าจะไปนี่นะครับไม่ลูกปุกพัน ส, สตาร์รักป่าไปพักผ่อนวันแม่ครพักผ่อนวันแม่ A10H รอเบอรเดิมนะครับเบอร์4221965แพนด้า น, น้อยก็ได้ชื่อแล้วนะครับ โวต์กันมาโอ้โหถล่มทลายวันนั้นไปที่ไปชณีโอ้โหเยอะมากปรากฏว่ามีสาวน้อยน้องปลายฟ้าจากสกลนครคว้าโชคโว้ชื่อมีแพนด้าน้อยชื่อหลินปิงโอ้โหหลินนี่ก็มาจากชื่อนะฮ ะ, ะพ่อแม่หลินอส่วนปิงส่วนหนึ่งก็มาจากแม่นม้ําสายน้ําปิงหลินปิงออื ชื่อที่สองก็เป็นขวัญไทยไทยจีนหญิงๆโอ้โหใครดีก็รับไปนะฮะยอดจำหน่ายกว่ายี่สิบเกล้านอันดับหนึ่งปาเข้าไปสิบาจดสองล้านฉบับโอ้โหสนุกสนา น, นเดี๋ยวต้องหาวิธีการต่อไปในการพิสูจน์แล้วก็หาชื่อเพื่อที่จะทราบถึงวิธีการทำให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันมากยิ่งขึ้นวันก่อน ได้คุยกับคุณนิรุตแล้วก็คุยพระาจาย์บอนะฮะเรื่องเกี่ยวกับบทสวดภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอบาหลีเดี๋ยวรอสนทนากันทั้งสองท่านนะครับแล้วหาข้อสรุปให้คุณผู้ฟังได้ฟังไปพร้อมกันไม่อยากแบบว่าทําคนเดียวแล้วเดียวโอ้อะไรนี่นะสันเสริญไม่บอกเลยนี้ไม่ได้นะฮะต้องบอกพร้อมกันวันนี้คือวันจันท์นะครับแต่ว่าเป็นสัปดาห์ที่ ไปไหนมาไหนก็อบอุ่นนะครับเจอแต่กิจกรรมพาแม่ไปเที่ยวนะฮะกิจกรรมรักแม่อย่างไรกิจกรรมอยู่กับแม่รายการทีวีก็จะมีการนําแม่มาพูดนะครับอ่าทางช่องสิบเอ็ดก็จะมะีคุณแม่รัฐมนตรีมานั่งพูดนะครับอะไรๆนะตอนนี้ก็เป็นการคุยถึงแม่หมดแม้กระทั่งแม่หมีแห่งปีหลินหุ่ยแบบนี้นะฮะก็ได้รับการยกย่องเป็นแม่หมแหีแห่งปีด้วยนะครับต้องถามก่อน ถามคนนี้ดีกว่าคนนี้ก็มีคุณแม่เหมือนกันแต่คุณแม่อยู่ไกลครไม่ได้อยู่เมืองไทยคุณป๊อปอาริยาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่อยู่ไหนคะคุณแม่คุณแม่อยู่วิสแกนค่ะแล้ววันวแม่นี่ยจะต้องยังไงเนี่ยโทรศัพท์ไปสวัสดีแม่ค่ะต้องโทรศัพท์ไปหารแม่ตอนนี้เขาก็ทําเขาก็ฟังรายการได้นะคะแม่เนี่ยก็อาจจะทางฟังทางวิทยุทางอะไรอ่ะทางอินเทอร์เน็ตก่อนทางอินเทอร์เน็ตฟังไม่ทันก็จะมีเก็บไว้ข้อมูลต่างๆ ช่วงสัปดาห์นี้คุณปอวันเสาร์วอาทิตย์วันจันทร์ที่ผ่านมาเวลาขับรถไปเจอป้ายโฆษณาต่างๆจะพูดถึงเรื่องของแม่หมดเลยนะบางโรงแรมนี่ก็บอกว่าพาแม่มาทานก็ได้ส่วนลดใครไปเชียงใหม่จะไปเชียงใหม่ในซัปดาห์วันที่สิบสองสิงหาคมแม่ลูกเข้าฟรีใช่ไหมครับแล้วก็โอ้ยไปเที่ยวแต่ละที่บางสายการบินก็จับแม่ลูกลดราคาเลยโอ้โหเยอะมากเหลือเกิน นี่นี่ตกลงเราเห็นความสำคัญของแม่วันเดียวป่ะครับหรือว่ายังไงทุคนตอบอืมเราเราว่าแบบว่าจริงๆเขาก็เห็นวันสำคัญของแม่ทุกวันแหละแต่วันนี้เป็นวันแค่เตือนสติให้เราอาจจะวันที่ถ้าอาจจะลืมวันไม่ได้วันเอาจะเอาใจใส่ทุกวันหรือไม่ได้ต่อวันลากถึงไปกอดแม่วันนี้อาจจะเป็นโอกาสที่แบบอะเตือนทุกคนว่าเราควรไปขอบคุณ ที่เขาเสียสละให้เราต้องเยอะทั้งชีวิตเขาเลยแหละเลี้ยงเราดูเราแบบเช็ดก้นให้เช็จดหน้เช็ดทุกอย่างที่มันเป็นแม่แหละแล้วก็เป็นวันที่เราอาจจะแบบเอือนสติเราให้ใหเราเห็นค่าของแม่อมืให้รู้บ้างว่าแม่มีบุญคุณกับเราแค่ไหนใช่ที่ผู้ฟังเพลงโโซอ่ะโราโอ่าอนที่ขลองเพลงหัวแม่โอ้อ จะเวีนใจเลยโอ้แม่อะไรประมาณนั้นใช่ไหมฮะจะร้องก็อึดอัดใจรวมรู้ฟังจะไม่ฟังต่อไปว่าเอาอะไรมาให้ฟังนี่แล้วคนั้นองยายต้องต่อเปิดใช่ักครั้งหนึ่งเนาะเป็นแม่ดูจริงๆคำว่าแม่เนี่ยคุณป๊อปเป็นคำสากลมากเลยนะความหมายสากลมากเพราะว่าเป็นเหมือนที่เราเคยคุยกันใช่ไหมครับหนังฝรั่งหลายๆเรื่องที่ที่มีความหมายของแม่ ดีๆก็เยอะนะอออืืใช่ไหมฮะสเตปมามอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนั้นเรื่องนั้นดีมาก ด, ดีดีร้องไห้ซะแบบร้องไห้เหมือนกันโอ้ oh oh. <laughs> ขนาดเป็นแม่เลี้ยงนะแม่เลี้ยงกับแม่จริงใช่ไหมครับใช่บทที่เขาเขียนเขาเขียนแบบดีแล้วก็แบบเข้าใจเข้าใจตัวละครดีมากแล้วก็ทางคนที่เป็นแ ม, ม่นก็ต้องถึงวันหนึ่งจุดหนึ่งถ้าต้องตายก่อนเนี่ยต้องเตรียมตัวตายยังไงแล้วจะให้ลูก อ, อะไร S <S <S <S เนาะมันมีการช่วนตายด้วยใช่ไหมยังไม่ตายอ่ะแต่ว่าเขาเป็นมะเร็งอะ่ะอออืมเราจะต้องทําตัวลูกอย่างมีหลายคนตั้งข้อสงสัยเข้ามาบอกว่าออ่ลูกณปัจจุบันนี้คือคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันนี้นะครับคุณป๊อปอืมในสายตาคุณป๊อปมันว่าจะเป็นลูกของเพื่อนนะฮะ <S 2> <S 2> <S เพื่อนที่เป็นลูกยังแม่อยู่เขา <S <S <S บอกโอโหคนเหล่านี้ทํางานเยอะมากนละบางทีก็ลืมแม่ไปก็มี หรือไม่บางทีก็แบบว่าโอ๊ยแม่อะไรเนี่ยไม่สิเคยเจอไหมลูกข้าอะไรเงี้ยยังว่าจะมีอยู่เสมอเป็นวัยรุ่นเนาะเป็นวัยรุ่นนะอืวัยรุ่นแล้วก็ไม่อยากจะไม่อยากจะให้แม่หอมแก้มหรือว่าแม่ไปส่งที่โรงเรียนไม่อยากจะให้แม่มาส่งได้โรงเรียนห๋ืออายพื้นมาบอแม่มาส่งที่โรงเรียนเนาะมันก็เป็นช่วงที่เราก็เนาะเป็นหนุ่มเป็นสาวกัน คุณพ่อเชื่อว่อาของแบบนี้สักแป๊บหนึ่งต้องใช้ระยะเวลาแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะกลับมามาเหมือนเดิมใช่ไหมครัะหมายถึงความเข้าใจในตัวแม่กับลูกถ้าโชคดีนะคะว่าถ้าแบบว่าโตขึ้นมาแล้วก็ความสนิทความรู้ใจกันแล้วกแบบคุยกันให้เวลาให้กันน่ะแล้วตอนตลูกโตขึ้นมาจุดหนึ่งก็อาจจะไปเป็นเพื่อนกันได้คุยกันทุกอย่างได้แล้วจะโลกของลูกอาจจะเปิดเผยแล้วก็จะเล่าทุกอย่างให้ฟังแล้วก็แชร์แล้วก็ ข อ, อความคิดเห็นนั่นก็เป็นสุดยอดของการเป็นแม่ละการที่ลูกไปยังโกรธนับถือเราแล้วก็ต้องการความแนะนําหรือความอบอุน่นจากเราอย่งมีค่าอย่างในสายตาลูกเนี่ยก็ถือว่าสูงสุดของคํารเป็นแม่ะนะแล้วว่าอเนาะถ้ารู้จักอความหมายของแม่ด้วยความชัดเจน hmm. ก็จะเป็นสิ่งที่สูงสุดที่รู้จักแล้วก็มองถึงแม่โดยตลอดแล้วใช่ไหมฮะ ส่วนตัวของป๊อปเองนะเราก็จะชอบดูว่าแบบว่าผู้ชายเนี่ยที่ดูแลหรือรักแม่เนี่ยเราสังว่าสิ่งที่เราซึ้งใจที่สุดเนี่ยบางทีไปร้านก๋วยเตียวแล้วก็จะมีแบบรูปผู้ชายคนนึงเนี่ยน่าจะแบบสักสามเสร็จแล้วอ่ะพาแม่แก่ๆอบบจูมแม่มากินกัต้มโจกอ่ะเปนเท้าแล้วลูกเป็นแบบลูกแม่รูกก็หน้าตามันเตะมันขนาดนั้นแต่เราหน้ารักใ่เลยอ่ะแม่ลูกมาพิมพ์สำเนาถูกต้องใช่ไหมครับใช่หรือว่ากอปี้ไฟมาถูกต้องหน้าเหมือนกันเลยใช่ไหมครับ ใช่มัมีความน่ารักอยู่แบบว่าตอนที่แม่ให้เราป้อนเราดูแลเราแล้วตอนอายุมากขึ้นเนี่ยแล้วแบบเห็นคนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวแวอาจจะแบบว่าวัยแบบมีครอบครัวตัวเองด้วยแต่มีเวลาแบบไปถายพาแม่ไปกินข้าวพาแม่แบบไปเลี้ยงด้วย <c oughs> ไปเยื่อแม่แล้วเราแค่อยู่ด้วยกันจับมือกันคุยกัน <c oughs> ยังมีอะไรกันที่คุยกันรู้เรื่องอะ่ะเออ หรือว่าสุดยอดแล้วนะผมเชื่อข้อความนี้เอแต่ขอแต่อาจจะไม่ได้ถามในรายการเรานะฮะเป็นรายการก่อนหน้านี้พูดถึงแม่เหมือนกันคก็อยากรู้เรื่องของแม่ในสังคมตะวันตกอาจจะหมายถึงฝั่งริการนะครับว่าคุณยังให้ความสําคัญกับแม่มากแค่ไหนเพราะว่าเห็นบอกว่าอโดยทั่วไปความผูกพันของแม่จะอยู่ในโซนที่จะอยู่ในในในเอเชียอย่างคุณจีนคนไทยเยอะมากเลยคุณป๊อบคิดไง มันอยู่กับกับบุคคลแล้วก็ครอบครัวเขาแหละว่าเขาเป็นยังไงเพื่อนสนิทเราที่อยู่อเมริกาเนี่ยที่เป็นฝรั่งแบบฝรั่งหัวแดงจริงๆเลยนะเขาก็ยังยังค่อนข้างจะแบบว่าแบบไปทาน lunch ด้วยกันไปคุยกันปรึกษาเรื่องชีวิตด้วยกันแล้วก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันอ่ะมีแบบว่าไปเที่ยวด้วยกันไปไปครูด้วยกันไปแบบไปเดินทางไปต่างประเทศด้วยกันแหละแล้วอาจอะ ลูกสาวเพื่อนเรา่ก็จะขึ้นสี่สิบล้วคนหนึ่งอ่ะเป็นนุ่นพี่นะคะก็อยู่ชื่อแฮเดอร์เขาจะก็แบบอ่ายุสี่สิบแตแม่เขาก็แบบเนี่ยจัดชัวร์ไปเดี๋ยวจะไปตารี่กันไปกับลูกแล้วจะพยายามชวนคุณยายไปด้วยอ่ะครับครับโอแล้วก็มีความแบบเจเนเรชันต่อต่อกันแล้วก็นัดกันไปเจอการไปเที่ยวด้วยกันอ่ะมันเราว่ามันก็เขาก็มีเขามีแบบแบบมีคนที่รักแม่ก็มีแหละอืพี่ แต่ว่วามันผมว่ามันอยู่ที่บุคคลมากกว่าอย่าเอาความเป็นตะวันตกตะวันออกมาเป็นตัวกําหนดเลยนะครับบ้านเราก็มีเยอ ะ, ออะบางคนก็มองไม่ค่อยเห็นคุณค่าหรือความสําคัญนะครับบางคนก็เห็นความสําคัญกันเยอะอยู่ที่ครอบครัวแล้วก็ความอบอุ่นในการลิงค์ถูกมากกว่าเนาะแม่ท่านทุกท่างกะท้าถามว่าความหมายของแม่ของเราคืออะไรเนี่ย แกแบบกลับบ้านตอนนั้นแม่ไม่ทํางานนะก็จะทํากับข้าวให้กินแล้วแบบตอนอยู่เมกาแนละ้วจะมีแบบบางทีแม่ก็จะทําน้ําพริกหรือว่าแบบ <c oughs> เผากระปิขึ้นมาเดินบ้านแตจากเมริกาต้องแบบไปเพื่อนฝรั่งเดินกลับบ้านเสีมันทุ้มมากเลยอะ่ะ <c oughs> แม่ก็บอกว่าใครไปไ ป, ไปเผาอะไรมาหรือว่าแบบเป็นศอกอะไรหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> มาจากบ้านเ้าแบบห่วยด้วยแม่ทำผับ้าให้กินอา <c oughs> หารไทยอ <c oughs> รือบางทีพาไปกิน <c oughs> พาไปกินอะไรแบบอร่อยๆอ่ะ อยู่แม่คิดถึงอาหารคิดถึงการแบบว่าอบอุ่นอืมออืมต้งการแต่ว่าความรักของแม่เป็นสุดยอดแล้วล่ะอืม ท, ท, อ ท, ทุกคนที่โชคดีเนาะทุกทุกคนที่โชคดีที่ที่มาถึงแล้วก็เจอความรักในมุมมองต่างๆนะครับไม่ไว่าจะเป็นความรักของแม่หรือความรักของใครจริงๆแล้วออถ้าพูดถึงแม่ณนะปัจจุบันนี้คุณป๊อปผมจะเจอคนหลายคนเน่ยมัจะให้ความสําคัญกับกับเรื่องของเพศ เยอะนะครับอย่างเช่นเมื่อาเราพูดถึงแม่วันแม่แห่งชาติคนก็จะมักจะไปผูกพันเรื่องของเพศหญิงใช่มเรื่องของผู้หญิงบางคนก็บอกว่าเนี่ยต้องให้ความเคารพหรือให้ความสำคัญกับกับผู้หญิงมากๆเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยก็คือก็คือแม่บางทีเราก็มองข้ามไปเลยเหมือนการให้เกียรติต่างๆนั้นน่ะคุณพอบคิดว่าตอนนี้สังคมเรากับการให้เกียรติผู้หญิงสาหรับผู้ชายนะครับ ที่คุณป๊บเจอมาเนี่ยดีขึ้นไหมครับหรือว่ายังเหมือนเดิมผู้ชายเทคแคร์ผู้หญิงดีขึ้นไหมครับผู้ชายเทคแคร์ผู้หญิงดีขึ้นไหม <c oughs> มันแล้วแตอยู่ระ บ, บุคคลผู้ชายคนนั้นเดินเดิน <c oughs> ผู้หญิงที่เป็นแม่เขาะนี้ยงดูเขาแบบว่าให้เป็นสภาพดุหรือเปล่าครับ เท่าแบบแม่เลี้ยงลูกชายพี่ดีแล้วก็แบบว่าคือจะมีนะแม่แต่ว่ารักลูกมากแล้วสัญญาจะเป็นลูกชายนะข้อบนที่หนึ่งแล้วถามว่าเธอลูกผู้ชายเยอะก็คือแกะกุ้งแกะปูแกะไก่ให้กินหมดเลยอ่ะแกะปลาให้อ่ะครับแล้วก็ถ้าอยากจะถามว่าผู้หญิงห้ามโดนผู้ชายดูแลมันอยู่ที่เขาแกะปูไปไหมอ่ะแกะให้ผู้หญิงกินไหมก็เราถือว่าโอเคละคือภาพบุรุษละหล่ะคนหนึ่ง การดูแลนะฮรการดูแลอือการดูแลเอาใจสายเนี่ยคือถ้าแม่สอนผู้ชายนีย้ผู้ชายเขากำลังจะเรียนรู้ซับไปแล้วก็จะให้อะไรเขาเหมือนกันเหมือนกันเนาะอืมอยู่ที่อยู่ที่การดูแลของแต่ละคนด้วยอือแน่นอนอยู่แล้อะ คุณป๊อกก็บอกว่าถ้าผู้ชายสักคนนึงเขาดูแลแม่เขาดีได้เป็นการบอกบอกว่าสามารถดูแลแฟนก็ดีได้ด้วยใช่ไหมแน่นอนค่ะเกาอยากจะจะได้ความรับเรื่องการจะเลือกผู้ชายในชีวิตที่จะครองคู่เนี่ยแม่ของเราเนี่ยแม่ประทวังเดี๋ยวจถอนมาว่า <c oughs> ดูผู้ชายเขาดูแลแม่เขาอย่างไงผู้หญิง <c oughs> ที่เป็นแม่เขาเนี่ยเป็นคนคล้อยเข้ามา <c oughs> แบมให้ทั้งชีวิต <c oughs> ดูแลเขาอย่างดีแล้วถ้าเขาดูแลหรือรักคนที่ดีเขาขนาดนั้นเนี่ยเขาก็จะดูแลพยาเขาดีเหมือนกันอ๋อออ้๋ออะไรอย่างนี้ เพราะฉะนั้นวิธีการต่างๆของผู้ชายครับถ้าคุณผู้ชายดูแลแม่ดีก็จะสามารถดูแลภรรยาได้ดีด้วยมันเป็นการรักของผู้หญิงที่รักที่สุดในชีวิตน่ะ <c oughs> ถ้าแบบว่าเห็นข้าขงผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นแบบให้ทั้งชีวิตมาแล้วเห็นว่าเขาเหนื่อยนะทำข้าวให้กินหรือว่า <c oughs> เขาเหนื่อยนะทุกวันต้องแบบตื่นเช้าไปส่งลูกเลยหนังสือ <c oughs> พาไปเนพิเศษ <c oughs> แล้วก็แบบแม่เนี่ยก็เป็นคนที่เสียสละชีวิตตัวเองเนี่ยเพื่อจะให้ลูกกันได้ดีในชีวิต อืมอืมส่วนตัวอืมอืมถ้าใครเห็นค่าตรงนั้นเนอะของแม่<ช>แม่ที่ดีๆแล้วก็ลูกเห็นค่านั้นสุดยอดแล้วละ่ะความรักที่แบบเห็นใจอาจเห็นเนาะเห็นหัวใจกันอะเอางี้เดี๋ยวหลั ง, ห ล, งหลังสามทุ่มเน่ยค่ะคุยกับพระอาจารย์บอกว่าใชา้เมติเรุ่อแม่เหมือนกันได้เลยค่ ะ, อะลองดูว่าตามหลักธรรมะหรือพระอาจารย์อาจจะมีอ่าเป็นตํานานนะครับพระคุณเจ้า มีตํานานเยอะครับอือ mm hmm. อาจจะเป็นผูกพันกับเรื่องแนวทางของทางศาสนาได้ด้วยเหมือนกันนะเดี๋ยวจะเรามานั่งฟังกันว่าอ่าหลักพุทธนี่คืออะไรแบบไหนเรื่องของแม่นะครับน mm hmm. ี่คืป๊อปพักก่อน <c oughs> คุยกันหลังสามทุ่มนะครับค่ะ <c oughs> เดี๋ยวผมมีเพลงอเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมีเพลงนะฮะเดี๋ยวผมจะลองลราพูดถึงแม่ของโลโซมาละลองฟังดูสักนิดหนึ่งจะได้เกิดความรู้สึกแบบเดี๋ยวนี้เราจะสร้างแบบอารมณ์นะ สร้างอารมณ์ให้แบบฟังพล้อมกันแล้วก็หลังจากหลังจากาผมคิดว่าเพลงนี้ก็คงก็คงไม่จบก่อนามทุ่มนะเดี๋ยวผมจะกลับมาพร้อมกิจกรรมต่างๆของคำว่าแม่และสิ่งต่างๆให้ได้ฟังกันไปพร้อมกันด้วยส่วนหลังสามทุ่มพระอาจารย์บอลไวชรยเมทีนะครับก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับแม่เหมือนกันใครไม่ได้กลับไปหาแม่คิดถึงแม่เดี๋ยวฟังเรานะฮะเดี๋ยวฟังพ่เศก่อนแม่ ผมนี่ก็อ่นนะฮะเล่นให้ฟังจนได้อยากให้ฟังแล้วก็นึกถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับแม่นะฮะเดี๋ยวรังสามทุ่มนะครับพระอาจารย์บอชรเมธีก็จะคุยเหมือนกันเป็นสนทนาอหลายครั้งที่ได้สนทนาพระคุณเจ้าไม่อยากใช้ว่าเป็นสนทนาธรรมนะครับเพราะว่าเรื่องต่างๆที่พระคุณเจ้าเล่าให้เราฟังใกล้ตัวลงามากแล้วก็ไม่ไกลอ่ เป็นเรื่องต่างๆแม้กระทั่งเรื่องของแม่เตรียนใจที่จะฟังเพราะว่าผมทราบว่ามีหลายครั้งที่พระเจ้าไปแสดงธรรมแล้วก็เป็นเรื่องราวของของของคำบ่แม่อยู่ในใจเราด้วยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ไม่ได้ฟังเสียงคุณประพระสศนเสวิกุลเลยนะครับสำหรับอนี้ขอฟังสักนิดหนึงเวลาจะน้อยก็ตามทีไม่ให้ผู้ฟังรายการหายคิดถึงนะคุณประพระสศนส์ศรีวิกลสวัสดีครับวีลิตต์มองลิพิตรเนยนะครับก็โหเสียง <c oughs> เป็นเป็นเป็นบัตรเอ่อัตคอซอนมาครับบัดคจับจับอฟิลิปินมฮะ <c oughs> ฟิลิปินครับ <c oughs> ฟิลิปินครปแเทรีช่คอรซอนเสีย <c oughs> ชีวิตแล้วก็ก็ไปร่วมงนานศพแล้วก็ไปเป็นไข่ น, นะโอ้ <c oughs> เห็นบอกผมดูภาพนะครับ <c oughs> อ่าพิธีศพของคอร์ซอนอากิโนนี่แบบแบบเป็นการรวมรวมความรู้สึกของคนฟิลิปปินส์ไว้เยอะมากเลยใช่ไหมฮะดูในข่าว ก็คล้ายๆกับเป็นการย้อนน้ำลึกถึงเมื่อตอนที่นิโนเสียชีวิตนะฮะเขาก็ใช้คำว่าอะไรปลูกบัวหลวงดอกต้นไม้นะครับเรื่องการเดียวกันคือความรักความปวดความอะไรสิ่งของคนยมีมากครับก็มีผลต่อการเมืองของฟิลปปินด้วยนะครับอวันหลัเล่าให้ฟังต้วนี่น่าสนใจเพราะนอกจากเป็นสัญลักษณ์แล้วเป็นการบ่งบอกถึงตัวที่มาที่ไปด้วยนะฮะครับต้องบอกกันว่าซิปปินนี่ก็เอ เป็นเป็นประเทศที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เข้มข้นมากๆนะฮะครับหลากหลายอย่างแล้วก็ประชาชนเข้มแข็งมากโอ้โหพลังประชาชนเข้มแข็งมากเพราะว่าอหลักของการปกครองขึ้นอยู่กับบุคคลที่เป็นประธานใาธิบดีโดยตรงอนะฮะครับหลักของความเข้มแข็งครับคุณพระอนเห็นบอกจะเดินทางไปเยอพุนิชาพวุนุนิเออร์ไปมะตามงอเบันจาลาตาอินโดนีเซียโอ้ับวันที่ยี่สิบกลับสิงหา กับ20สิงหาครับโอนี่จะไม่ได้ฟังกี่วันแล้วเนี่ยสองอาทิตย์สองสัปดาห์เลยครับสองสัปดาหต่อกันนะคหลังจากนั้นหลัง20สิงหาเดือนหน้านี้ขอจองไว้อาทิตย์แล้วประมาณสองวันเลยนะครับสองวันเลยเพราะว่าทุกครั้งที่คุณเสอนเดินทางไปก็จะมีเกรดและข้อมูลต่างๆมาเลาให้ฟังเยอะคงเขาเขาเขาละล้าประโลมนิดนึงอื้ออินโดนีเซียคราวนี้อมีประเด็นไหมครับที่เดินทางไป คือจริงๆเนี่ยมันจะเป็นโครงการของอาเซียนนะครับสมคมอาเซียนในประเทศไทยเกี่กับโครงการของวรรณกรรมอาเซียนนะครับแต่ก็จะมียังจะมีวาระที่จะพบกับผู้หลักผู้ใหญ่ของอินโดนีเซียอีกหลายขั้งด้วยกันเพื่อกลับมาจะให้ฟังระกับใครบ้างแบบอินโทรดักชันขนาดนี้คุณพุทธศรนะแต่เดี๋ยวนี้ อ่รแล้มีหยอดนะฮะให้เราฟังให้เราฟังเอผมไม่รู้ล่ะเดือนหน้าเนี่ยกันกลับมาในกลับมาถึงนะครับผมจะขอเลยสองวันต่อสัปดาห์ขอเล่าให้ฟังเลยมันเดืนกันยายนเพราะหลากหลายเรื่องอย่างฟิลิปปินส์ที่ผมก็สนใจนะครับผมสนใจเพราะว่าผมต้องบอกก่อนว่าอ่าจริงจริงกับผมผมผมผมเคย อะไรต่างๆคือเรียนนะฮะเรียนไปไปใช้ไปเรียนทุนที่นู่นไปเรียนทุนที่นู่นนะฮะเป็นสมัยเป็นเด็กรของโคลัมโบแพลนหนึ่งโอ้ขอบอ่าผมได้นะทุนของประเทศด้อยพัฒนาฮะผมก็ไลยไปด้วยความชื่อเนื้อเชื่อตัวว่ไม่ใช่ฉันมาจากประเทศด้อยพัฒนานะอะไรบินามครับอยู่กี่เดือนครับอยู่ก็ก็เป็นปีแนะปีเป็นปีเป็นแสนแล้วมันนีลานี่ยแหละครับจิตมีมีความสุข เอออ่าวุ้ยสนุกสนานเรื่องเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมก็เหมือน30ปีที่แล้วใช่เหมือนเดิมสนุกสนานนี่คุณผู้ฟังงงคือสนางคือคุณผู้ฟังอาจจะอาจจะมาจจะบ่นว่าบ้านเราไม่มีระเบียบนะฮะครับแต่ถ้าคุณ ไปอยู่บางประเทศแล้วคุณจะเป็นคนสุดรักเมืองไทยอ่ะใช่ผมก็ตรงๆนะเมืองไทยดีกันเยอะเลย <c oughs> ผมผมผมก็มมสองคุณจะคล้ายกันเวลาเราฟังคนอื่นมาบน่นไม่บานเราอย่างงุ้นอย่างเงียบจ้าไปสิจ้า <c oughs> จะรู้นะรสมมติเราเปรียบเทียบในในใ น, ใ, ในระดับเดียวกันต้องอความหลังผูกพันเยอะ เป็นเส์นะอินโดนีเซียนี่ก็เป็นหนึ่งประเทศที่ผมไปอยู่บาหลีนานมากเลยคุณบุสศรอือสุรัตน์ไม่ไปไม่ในเชื่อคุณบุพสรน่าอิจฉากว่ากลับมานะฮ้หลังยี่สิบนี้ผมขอจองเลยนะครับขอจองตัวไปเลยคุณบุพศรวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออเป็นน้ำย่อยฮะกลับมาถ้าอาจารย์รอไว้ใช่ไหมทีครับ ความมุ่งหวังในการพัฒนาประเทศไม่ควรจะมุ่งหมายแต่เพียงการอยู่ดีกินดีจะพะแต่ในพระนครเท่านั้นชาติบ้านเมืองเราจะเจริญก้าวหน้าได้ก็ต่อเมื่อทุกครอบครัวทั่วในประเทศมีความเป็นอยู่ดีขึ้นเป็นลำดับพระราชากระแสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชนีนาศ ดชอบริจาคเงินสิ่งของบางครั้งจัดเลี้ยงอาหารให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กตามกำลังที่มีฉังอยากจะเชิญชวนทุกท่านที่อยากจะแบ่งปันความสุขและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ที่ได้โอกาสในสังคมเราเพราะสังคมที่แบ่งปันน่าจะเป็นสังคมที่น่าอยู่นะคะโมเดิร์นเรดิโอเครือข่ายทั่วประเทศรณรงค์ให้การทำความดีเป็นค่านิยมให้กับสังคมไทยเพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ให้กับชาติตลอดไป การเดินทางมีบันทึกทางความคิดร่วมเดินทางไปกับท่านวอวัชระเมธีนิรุตสิริัญญาป๊อบอารียาศรีโสภาและสนเสริมปัญญาพิวงในการเดินทางของความคิดสามทุ่มกับเจ็ดนาทีกลับมาฟังการเดินทางความคิดอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณป๊อบอารียาศรีโสภาคุณป๊อบครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อสักครู่ที่เปิดเพลง เรื่องอเปิดเพลงแม่นะฮะโอ้ยขอบคุณมากนะคะไม่ได้ฟังใช่ไหมไม่ได้ฟังอยู่ไม่ได้อยู่อยู่ยิ้วเลยค่ะตอนนี้อะไรไปอยู่ที่ไหนมีทั้งบ้านสงกุ๊ครับอยู่เพิ่งขับรถขึ้นมาบที่เชิงใหม่ตอนนี้อะค่ะขอบมาเชียงใหม่เลยนะใช่ค่ะเพิ่งขับไปถึงวันนี้เองอะค่ะโอ้โหวันนี้ผมก็ไปเชียงใหม่ตอนเย็นแล้วคะมาเลยมาเลยมาเจอยู่ที่ซอยเจ็ดที่มาเลยค่ะแล้วคลาวด์วิวนานไหมเนี่ย อยู่แค่เจ้าวันค่ะเดี๋ยวจะขับไปทํางานต่อตมีเชียงใหม่ในซาฟารีวันพรุ่งนี้นะครับเวันที่12สิงหาคมใครจะไปฉลองอวันวันแม่นะครับแม่ลูกเข้างานฟรีนะฮะที่เชียงใหม่ในซาฟารีอย่างที่บอกไว้ทนะ่าคุณป๊อปคุณป๊อปอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมครับพรุ่งนี้เรก็จ ะ, ะไปเชียงใหม่แล้วก็หลัง3ทุ่มในทุกคืนวันจันทร์เราจะสนทนาธรรมกับพระอาจารย์วอลบาเชลเมทีนะครับกลับนมัสการพระคุณเจ้าครับ เชิญผ่ครับผมคุณปั๊บอารียา ม, เมาเชิญ <c oughs> คุณปั๊บด้วยมาคุณ <c oughs> เจ้าครับวันนี้ตั้งแต่เช้านะครับจนกระังถึงตอนเย็นมีเอชเอชมาหารายการเรานะครับผมมาถึงสถานีสองทุ่มครึ่งก็เห็นแล้วนะครับฝากข้อความถึงพระคุณเจ้าด้วยบอกว่ า, อ, าอยากฟังเรื่องของพระคุณแม่จากพระคุณเจ้าจ <c oughs> ใกล้วันแม่แล้วเนาะใช่ตอนนี้เลยไหมเชิญเลยครับป้าคุณ้าเวลาเรามีน้อยอะไระยังยังยังตั้งแล้วกันนะครับป้าคุณเจ้าครับก็เอาเรื่องขำๆก่อนปีที่แล้วเนี่ยจะมาได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเร็จต้นนางเจ้าในฐานะลูกกัจจันทอยู่นะคุณยศนะครับล้วก็เป็นเป็นข่าวเป็นข่าวขึ้นมาสื่อก็ไปถ่ายรวปแถลงข่าวใหญ่โตครับ อือก็มีทีวีรายการหนึ่งและโทรศัพท์มาขอสัมภาษณ์อาจามาพร้อมกันอยอมแม่ครับธมาก็บ่ายเบียงว่าอยอมแม่ธมาเนี่ยไปเมืองนอกรจริงจะแม่เสียมาสิบปีแล้วก็ไม่อยากพูดตรงๆโปรดิ้วโซก็บอกว่าถ้าอาจารย์ไม่ต้องห่วงเจ้าค่ะ ยังแม่พราอาจารย์จะอยู่ที่ไหนทางรายการจะดูจ่ายก็เครื่องบินให้ถ้า <c oughs> มาก <c oughs> มา็เล <c oughs> ยบอกว่าหลวแม่จะมาไปอยู่ส่าประยทพระเป็นสิบปีแล้วจะจ่ายไหมล่ะคุณป๊อกบางบางทีอย่างอย่างคุณป๊อปกกัผมจะทําจะทํางานด้านสื่อเหมือนกันนะคุณป๊อก <c oughs> เวลาที่เราก็พยายามที่จะเเหมือนกับหาแขกรับเชิญลงทุนเต็มที่นะฮะถ่ายก็ต้องเต็มที่ก็ต้องก็ต้อง ยอมรับว่ามีความพยายามสูงมากกันนะสุดท้ายตมาก็เลยไม่ได้ไปเหตุผลอะไรคุณยมรู้ไหมเพราะว่าคนอื่นที่ได้รับรางวัลเขาไปพร้อมแม่หมดทั้งมาที่แม่ไม่อยู่ซะแล้วแล้วพิธานริการก็บอกว่าด้วยฉี่นั้นก็ขอแสดงความเสียใจกับพระอาจารย์ด้วยนะเจ้าค่ะตมาบอกทําไมต้องเสียใจเล่าคที่สิบปีแล้วนัตมาเข้มแข็จะตายไปเนี่ยตอนที่ยมเล่าเสียใหม่ๆทำน่าจะอยู่ไม่ได้นะบอกตัวเองว่า ฉันเรียนหนังสือไปเพื่อใครเนี่ยฉันจะได้ไปเรียนเกีย่ยวกับจมัยอะแม่ก็ไม่อยู่แล้วอะ่อนะฮะวันหนึ่งจมัย ก, ก็เดินอยู่กลางสนามยยกวัดเปบญจมาประพิษนะกลาลังเดินชมครมอยู่ครับรแล้วสติมันก็มาเตือนว่าถึงแม่จะไม่อยู่นะครับแต่ว่ารูปแร่างสงการของเธออุกปนิสัยของเธอครับน้ําเรียงเสียงพูดของเธอครับแล้วชีวิตของเธอก็แม่ก็ก็อบบี้ไปให้ทั้งหมดแล้วแม่ก็ไปไงแม่เสร็จาระแล้ว แ, แม่ก็ไปอื ก็เั็นอย่างมันโพงอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะโอ้โหจะมารู้สึกเบาขึ้นมาเลยนะจะมารู้สึกว่าเออดิ้นในธรรมชาตินะครับธรรมชาติจะจากไปในในขนาดที่ได้ทำภารกิจของเจมันรู้แล้วอ่ะครั บ, รบเออก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคุณผูมนะเพราะว่านี่คือความเปลี่ยนแปลงไงวันหนึ่งพ่อแม่ก็จะจากเราไปแล้วท่านก็ได้ถ่ายโอนชี้นต่อนเราไว้ให้บําแพ่นภารกิจของท่านต่อ ครับพระคุณเจ้าเพปัญญาแาบนี้ตรรมาก็ไม่เสียใจก็ทุ่มเทดำเนินชีวิตมาจนทุกวันนี้ก็รู้สึกมีความจบดีถึงแม้ว่าม่จะไม่อยู่แล้วก็ตามครับพระคุณเจ้าหลายครั้งนะครับผมเคยได้ฟังธรรมะของพระคุณเจ้าในครั้งหนึ่งที่งวุ่นเจ้าได้แสดงความได้บอกว่าพระคุณผลแม่นั้นยิ่งใหญ่มากแม้กระทั่งณณณตอนครั้งที่ที่ที่พระคุณเจ้าเองก็ออตั้งแต่ครั้งที่เป็นสัมมาเนยใช่ไหมครับ จนกรหลายครั้งเองพระพุทธเจ้าเองก็จะมากจะเกิดอยู่สมอว่าแม่คือบุคคลที่มีพลังมากเหลือเกินที่ทําให้้พระพุทธเจ้าศึกษาด้านของธรรมะด้วยก็สําหรับตมาเนี่นะที่ที่พูดได้เลยนะว่าที่ที่ได้มาบวชได้มาเรียนแล้วก็ได้มาเผยแผ่พุทธศาสนาด้วยวันนี้นะถ้าขาดโยมแม่เท่าคนหนึงชีวิตไม่เป็นในทุกวันนี้นะครับเพราะว่าโยมแม่เนี่ยเรียกว่า ทุ่มเทมากๆแม้กระทั่งอุปนิสัยใยรู้รทุกวันเนี้ก็มา ก, ก็ติดมาจากยมแม่เพราะว่ายมแม่จะเปล่นปีที่ห้าแล้วเปิด่ยนวิธีทิ้งไว้ทั้งวันนะคนุณโยมถ้ามา ก, ก็ได้รอิทธิพลจากยมแม่จนทุกวันนี้เราอ่านหนังสือพิมพ์ทุกกันเลยครก็เ น, นี่ยแม่ทิ้งไว้ให้เราเพราะฉะนั้นมองไปทางไหนเนี่ยในชีวิตของอาตมาเนี่ยนะอาตมาพูดได้เลยว่า ไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนขึ้นถึงฐานะอันสูงสุดในหัวใจของอาตมาเท่ากับยอมแม่ใช่ทุกคนส่งแรงใจเป็ น, น, น, น, นพุกามหลายๆคนด้วย oh. <Reform S 1> คุณป๊อปครับส oh, ่างประเใจค่ะ<ๆ>คุณป๊อปคุณป๊อปได้ได้อิทธิพลของคุณแม่ที่ทําให้คุณคุณคุณปอ๊อปเดินตามทางแล้วก็มีหลายๆอย่างที่คุณแม่แบบว่าแนะแนวทางจนกระทั่งอยากจะถ่ายทอดใกล้คนอื่นหลายเรื่องนี้ครับ อ้ยจะให้เรื่องตัวไหนดีอะ <c oughs> เรา <c oughs> เราแค่จําจาได้อย่างเดียวว่าแม่เป็นคนที่รักเราสุดชีวิตแล้วก็ <c oughs> เป็นคนที่อืมสุดหลับมากๆในชีวิตเนี่ยเพื่อ <c oughs> จะส่งไปรับไปดูแลจะตอนเป็นไฉตอนเป็นวัดไปส่งที่โรงเรียนใครมาเลี้งแกก็จะไปต่อสู้ให้ทุกอย่างร <c oughs> ักเราสุดหัวใจจริงๆแล้วเราก็บอกว่าเราได้ดีถึงวันนี้เพราะว่าเรามีแม่ที่ดีค่ะ <c oughs> พระคุณเจ้าครับผมเจอข้อความนี้นะฮะจากคุณผู้ฟังทางบ้านที่ส่งเข้ามาเช่นเดียวกันบอกว่าเอถ้าหากว่าเราจะเปรียบแม่ตามหลักของธรรมะแล้วพระคุณของแม่เองเขียนเป็นหลักธรรมให้คนอื่นทราบเนี่ยมีวันหมดไหมครับพระคุณเจ้าครับอ๋อไม่มีวันหมดนะพ ร, ระพุทธะเจ้าหน่ยคุณดมแม้จะเป็นพระพุทธเจ้านะคุณดมนะครับ พระองค์ท่านเนี่ยในครรษาที่เจ็สุด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวเด่นมักจะมีผู้ตีความว่าสวรรค์มีจริงหรือไม่จริงใช่ไหมครับต่อมาก็ชี้ชวนให้มองใหม่ว่าทําไมเธอไปสนใจว่าสวรรค์จริงหรือไม่จริงทําไมเธอไม่คิดว่าแม่อยู่พบหนึ่งลูกชายอยู่พบหนึ่งครับแต่ความต่างแห่งพบไม่เป็นอุปสรรคที่ลูกคนหนึ่งจะเพิ่การันตอยู่ต่อแม่เลยครับเห็นไหม เร wow าเนี้อยู่ในบ้านเดียวกันกับคุณพ่อคุณแม่เรายังไม่เคยโผล่หน้าไปดูท่านปู่ที่นอนในท่านเลยพุทธิแท้วกับแม่ของท่านนี่อยู่กันคนละโลกนะท่านตามไปโปรดนะคุณยมดูสิเราเนี้ยห่างกันแค่ฝาห้องกันนะห่างกันแค่คนละจังหวัดห่างแค่ยกหูโทรศัพท์ถึงค ทเราไม่ค่อยแบ่งเวลาให้แม่ได้สัไปอามนี่พระพุทธเจ้าท่านทําให้เราดูนะว่าอยู่กันคนละโลก <c oughs> แต่ว่าไม่เป็นอุปสรรคสําหรับการที่ลูกจะกระตันอยู่ต่อแม่ของท่านเลยอืมอยูีเป็ น, นพุทธจริญาที่ยิ่งใหญ่มากที่ทรงทําให้เราดูนะคนุณดมนะมให้เราดูแล้วก็ทราบซึ้งในส่วนที่จะต้องเป็นความหมายของคําว่าแม่ด้วยนะครับมีข้อความจากผู้ฟังท่านหนึ่งนะฮะลงท้ายร้วยเบอร์แปดสองแปดสองนะครับคุณเจาบอกว่า อยากปรึก ษ, ษาพระอาจารย์วงนะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นลูกทําตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้เป็นแม่คนแล้วนะครับลูกเนี่ยไม่ค่อยดีด้วยจังเลยเวนกรรมตามฐานจริงๆริงไหมครับพระคุณเจ้าก า, าคิดว่าเป็นกรรมนีเราเท่ากับต้องยอมจํานนตฐานเดียเพราะฉะนั้นไม่อยากให้คิดว่าเป็นกรรมนะคให้มองโลกในแง่ดีเอไว้ก่อนว่าเด็กไม่กำลังโจ น, น่ะนะอื เอออย่างอบเบอรไอซานี่อายุแห่าขวบนี่ยยงเอออยู่เลยนะเออแม่แม่แม่อุ้มนะตรงไหนยังแช่อยู่ตรงนั้นทั้งวันเลยนะครับแม่นีนก็อ่อน อ, อกอ่อนใจแล้วว่ามันจะจ ะ, จะรอดไหเนี่เจ้าลูกคนเนี้เออแต่ต่อมาพอโตขึ้นโตขึ้นเขาก็สามารถเป็นคนปกติได้เหมือนกันา็ฉะนั้นอย่าอย่าเพิ่งสรุปนะคุณโยมนะว่าที่มันเป็นเช่นนั้นเป็นเรื่องกรรมสามพันเพราะพระคิดเช่นนั้นก็แสดงว่าเราจะต้องยอมจำนนไปทั้งชีวิต เออก็อให้คิดามาบางทีลูกเรามันดื้อนี่มันอาจจะอัจฉริยะก็ได้นะก็ให้ดูไปนานๆกันแล้วกันแล้วก็ถือว่างานเล็งลูกก็คืองานบาเพ็ญบารมีนะคุณผู้นะครับครับลูกดื้อมากๆก็บําเพ็ญขันติบารมีคือพมะบทนลือคิดอย่างนี้แล้วกันถ้าลูกพูดอะไรมันก็ไม่ฟังก็บอกว่าเออแสดงว่าเราจะต้องเป็นเมืองเชีพให้หนักขึ้นไปกว่านี้อีกอย่างนี้คิดอย่างนี้เลี้ยงลูกก็เป็นงานท้าทายกันเลยคุณพ่อครับ ดี่้ยเาะการได้คาแนะนำจากคุณอาารย์าเี้ยงลูกแล้ดีมากเลยนนอนที่ขนาดแบบไม่มีลูกของตัวเองคุยกันกอบประสบการณ์ดีกันเลยข้าฟังค่ะตังเชิญอยู่เห็นคุณป๊อปบอกว่าครั้งหนึ่งมีเพื่อนเพื่อนเพื่อนคุณป๊อปที่ที่ที่บอกว่าจะต้องเลี้ยงลูกลวูกสนสนด้วยใช่หมครรู้สึกผมจะจำได้อยู่ครั้งหนึ่งหรือปะ อือฮ <ừ> ึลูกชนๆอยู่แล้วก็<อ>น้องก็คิดถึงแม่ตัวเองมากเลย อ, ะอ่ะใช่แล้วตัวเองก็น้องขนาดนี้แล้วแบบว่าเห็นอกเห็นใจแม่จริงๆเลยแล้วว่าเด๋นี้แบบไปแค่จะไปกราบไปขอบคุณแม่แลรักแม่มากขึ้น อ, ะอ่ะถ้าถ้ารู้สึกว่าเราไม่เคยแบบว่าเห็นค้าแม่จริงๆในวันนึงถ้ามีลูกขึ้นมาเดี๋ยวจะเห็นค่าแหละแต่ถ้าเราแบบสมัยก่อนที่มีลูกเนี่ยก็ถือว่าสุดประเสริฐสุดยอดอีกอย่างนึงนะที่เห็นคนคนนึ่งนั้ที่ ทุกอย่างอ่ะอยากจะทำเท่าให้เรากินอยากรู้ว่าเรานอนพอไหมกินหิมพอไหมต่าโตพอไหมเรียนดีไหมครับคือรักเราสุดชีวิตเลยล่ะแล้วก็นั่นแหละคือการเป็นแม่เราว่าเป็นเป็นงานที่ยากที่สุดเหนื่อยที่สุดแต่ก็เป็นความรักที่เริดจรัสที่สุดของการเป็นมนุษย์แหละการแม่รักลูกอะค่ะะพระคุณเจ้าครับมีทางบ้านนะฮะผมขอหยิบข้อความนี้นะครับบอกว่า ลูกศิษย์พระคุณเจ้าหรือว่า ผ, ผู้คนทั้งหลายนะฮะที่เดินทางมาขอคําแนะนําจากพระคุณเจ้ามีแม่ลูกบางคู่ไหมครับที่มาหาพระคุณเจ้าแล้วแบบอใช้คําว่าเอดังยังคุยกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะลูกคุยกับแม่ไม่ค่อยดีนะครับมีลูกามาือกว่าแม่ดึงลูกมาหาวัดแล้วลูกก็แบบทําบายเบี่ยนประมาณอย่างนี้ ก็ตามาก็จริงๆช่วงเจอมาปีที่แล้วอ่ะนะครับพระคุณเจ้าครับก็สองแม่ลูกทะเลาะ ก, กันนะอมคือปกตินี่จะมาหาตามาเนี่ยก็มาด้วยกันตลอดนะคุณโยมนะครับพระคุณจะมีด้วยกันสองแม่ลูกเนี้ยครับก็มีวันหนึ่งมาตมาไม่เห็นลูกตา ม, าามาก็ถามว่าลูกคุณโยมไปไหนครับพอถามแค่ น, นี้น้ํำตาก็ร่วงฟอฟอฟอฟอตมาก็ตกใจว่าไอ้ฉันไปทําอะไรครับถามไปนิดเดียวรองให้ครเสร็จก็บอกว่า ก็ทะลาะกับลูกมาได้สามวันเราตอนนี้ลูกก็ไปนอนคอนโดกับเพื่อนอทำไมก็ถามว่าเอ้าแล้วทำไมทําไมโยมไม่ไม่โทรแล้วจักไปคุยกันให้รู้เรื่องครับเธอก็บอกว่าโยมโยมโทรก่อนไม่ได้เด็กขาดเพราะถ้าโยมโทรไปงองลูกก็เท่ากับว่าโยมแพ้แล้ว<อ>ลูกก็จะได้ใจไปตลอดชีวิตอย่างเงี้ยครัทําไมก็เลยถามว่าเอ้าถ้าเกิดว่าโยมไม่โทรไปแล้วลูกก็ไม่โทรมารแล้ววันหนึ่งลูกไปอยู่กับเพื่อนแล้ว เ, เพื่อนของลูกกินยาเสพจิดใช่ไหม ถ้าพาลูกไปเป็นทําอะไรในทางเสียหายเพราะลูกของคุณยมก็เป็นลูกผู้หญิงเลยลูกจะคุณยมจะทำยังไงมันคุ้มกันไหมกับคุณยมนอนเกาะที่เียงมาสามคืนนะครับธรมาก็พูดแค่นี้พอลงจากบันไดกุฏิเ้าก็โทรหาลูกคุณยมเชื่อไหมเกิดอะไรขึ้นอะไรครับท่นขุนเจ้าครับก็ภายในสองชั่วโมงต่อมาจูงแขนลูกมาหาธรมาเลยเธอครับบอกว่าจริงๆลูกอยากจะกลับบ้านตั้งแต่คืนแรกแต่ว่ารอว่าแม่จะงอเมื่อไหร่ คุณยังคิดอเออแล้วแต่มาก็เลยก็บอกว่านี่เห็นไหมเนี่ยถ้ามัวแต่ถือทิฏฐินนชีวิตนี้ยมจะได้กอดแต่ทิฏฐิ Mm hmm. แต่ถ้าทิงที่ถี่ยมก็ได้กอดลกูกลูกก็ได้กอดแม่ครับฉะ น, นั้นจำไว้เลยว่าอย่ามีทิถี่มานะต่อกันจนมองไม่เห็นหว่าคน mm hmm. นี่ก็เป็นกรณีศึกษาที่ดีมากที่แม่กับลกูกบางครั้งก็รักกันแต่มีเส้นบางๆที่ชื่อทิถี่มานะไงคุณยมครับพระคุณเจ้าทําให้บางครั้งก็ต้องทะเลาะเบาแวงแล้วก็แตกกันไปอย่างเนี้ย mm hmm. นี่น่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่ฝากบอกคุณแม่คนณลูกนะถ้าด้วยแบบ ทะเลาะเบาแหวงบานหมางใครใจกันก็วันแม่นี้ก็ถือโอกาสคืนดีกันเถอะนะอย่าทิฏฐิกันเลยนะครับรจริงในในใจลูกก็ขาดแม่ไม่ได้อยู่ดีแม่ก็ขาดลูกไม่ได้นะคเป็นความผูกพันเช่นกันละกัน ค, คืนคืนดีกันนะัตะมาคิดว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดนะที่ลูกกับแม่จะมอบให้เกิดกันและกันสําหรับคู่ที่ยังยังทะเลาะ ก, กันของแม่จะลูกด้วยคุณป๊อปครับเห็นด้วยเลยนะคะ่ะถึงตาแล้วก็ถึงใจเคยเคยงอนคุณแม่ไหมครับ โหยก็มีซี่มีมมมมนอน แ, แ, อแบบน่บ้างแล้วก็โสดแน่บ้างไม่ยอมกลับบ้านบ้างยทำอะไรที่เกเลยเยอะมากเลยอ่ะ <c oughs> เคยเกยเลยมาก แ, แม่เคยเล่าให้ฟังตอนเด็กๆจำไดนน้มันถ้าขว่เปล่าขนาด <c oughs> ว่าแบบจะชอบแกมโกงแบบว่าจะให้แม่เดินไปแบบเปิดไฟให้อ่ะเลยจะเอาน้ํา <c oughs> จะเอาน้ําเหมิ่นโดงก็ไม่บอกว่าน้น <c oughs> าน้าําจะเอาน้ํามาให้แบบว่าเอานม เขาไม่เอาน้ําแกลเป็นแม่แล้วแบบแม่เล่าให้ฟังแล้วแบบจริงหรอจริงเหรอครับแม่ก็จะเล่าให้ฟังาตอนแบบคลอดเราตอนแบบว่าอ่าท้องแล้วก็เราออกมาเกือบห้ากิโลแหละแม่เขาตัวเล็กเขาก็บอกว่าเนี่ยเราเกือบตายแลเนี่ยการคลอดปอบขึ้นมาเนี่ยแบบการเป็นแม่ครั้งแรกมันก็เป็นการที่เจ็บปวดแต่ก็ภูมิใจที่ออกมาลุลุ่งสมบูรณ์แล้วเหรออ่ไงนั้นเลยเหรอเขาเขา่า เล่าให้เราฟังไงความรู้สึกของเขาบางที่สิ่งที่เขาเขียนมาสิ่งที่เาเล่ามาก็เรารู้สึกผูกพันกับมากๆเลยอะ่ะอ mm ืม hmm. ตอนนี้เป็นเพื่อนกันมากขึ้นละล่ะแล้วก็โทรศัพท์คุยกันปรึกษากันมากขึ้นแล้วก็เข้าใจเขามากขึ้นแม่เป็นคนยังไงแล้วก็เราก็รู้หลายหลาอย่างเราจะไม่เหมือนแม่แล้วแม่ก็ไม่เหมือนเราหลายหลายอย่างที่ไม่เหมือนกันอยน้อยคือเคารพกันแล้วก็โอเคแม่ชอบคริสโต้เยอะเยอะเราไม่ชอบเลย mm ก็โอเคให้เขียน เ, เขาอยากได้ <c oughs> ก็ซื้อให้หน่อยก็ได้หรือ ยอมเขาบ้างรักเขาเยอะๆแล้วก็แย้งเข้าใจเขาว่าเขาอายุมากขึ้นพ่อแม่เราแล้วว่าต้องการอะไรอ่ะเหมือนเด็กอ่ะต้องการให้คนเอาอกใจอ่ะให้เห็นคนเห็นค่าแค่แบบไปหอมแก่แม่ของเก่าเกี่ยแม่อร่อยมากเลยอคุณมากขมอดที่สุดในโลกแม่รูได้วยกันเมี่ยของโปรดหนูเลยอ่ะเขาก็จะดีใจแล้ว่เชื่นใจอ่ะอืม พล้คุณเจ้าครับอ่าหลายครั้งเวลาที่เรามักจะได้ยินลูกบอกแม่ว่าบางทีแม่จะงอนน้อยใจ อ, อย่างนี้เรียกว่าโรคคนแก่หรือเปล่าครับทุกคุณเจ้าครับเหล่าอน <c oughs> ก็ก็คงเป็นไปได้นะครับอาจารยมาอยากจะบอกว่าครับ <c oughs> เ อ, อคุณลูกทั้งหลายที่มีคุณแม่ให้งอนนะโชคดีขนาดไหนอรย์ <c oughs> <c oughs> มานี้ไม่มีคุณคุณยอมแม่ให้งอนนะครับพี่ดูตอนเป็นเด็นน้อยนซื้อมาส่งห้ยอมแม่ทุกปีอ่ะครับทุกคุณเจ้าแล้วก็ตอนนี้อยากจะซื้อให้ทีนึงเอาเอาซะ เอาสักปัมหนึ่งนะะคุณแม่ไม่อยู่สักงั้นนะคิดดูสิเพราะฉะนั้นโชคดีนะที่ ท, ท, ที่มี ม, มีมีคนแม่ให้งแงมีคนแม่ให้งอว <c oughs> ีคนแม่ให้แกลง้งเพาะวันหนึงถ้าไม่มีแม่แล้วนี่ครับ <c oughs> เราก็จะรู้สึกว่าเออชีวิตนี้มันมันค่อนข้างจะเหงานะแ <c oughs> <c oughs> ต่มาเนี่ยถ้าไม่มีแม่คนที่สองคือธรรมะในต่ำมาก็คงเหงาเหมือนกันนะครับพระคุณเจ้าออาหลายครั้งเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับเอ่อวันนี้หรือวันต่อต่อไป อย่างนอนแม่นะครับเพะว่า ม, มีแม่ให้อน อ, งงอนเออที่นอนไปแล้วก็ไปขอโทษด <c oughs> คีคนนี้คนนี้คนที่เป็นผู้ชนะเป็นคนที่อ่อนโยมอืมบางบางครั้งตัวมาอยากจะบอกว่าถ้าเร า, า ง, งอนไงกับแม่ถ้าเราถามแม่ครับเรบาควรจะยอมถอยแต่เป็นการถอยเพื่อที่จะไปข้างหน้าถอยไม่ได้ไหมายความว่มาไปข้างหลังเหมือนไปนะคนุณโยมนะคอถอยเพื่อที่จะไปข้างหน้าชนะด้วยกันทุกฝ่ายไงคุณโยม ดีจังเลยคุณชพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าครับมีข้อความนี้นะครับส่งเข้ามาบอกว่าเด็กสมัยนี้อยากปรึกษาคุณเจ้ามักจะมีประโยคหนึ่งกับแม่โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นผู้หญิงว่าแม่ไม่เข้าใจแม่ไม่เข้าใจ <c oughs> แม่ก็อยากบอกแม่เข้าใจแต่ลูกไม่เข้าใจแม่เจะต้องมีวิธีการอ่า ใ, ใช้ใช้ใช้ใช้หลักธรรมหรือว่าการสร้างจิตใจอย่างไรให้ให้ให้ใหใหลูกวัยรุ่นผู้หญิง ไม่มีคำนี้นะครับคุณเจ้ากระจุงจงนี้ถ้าเกิดบรรลกพูดอย่างนี้ออกมานะครับ ตามาก็อยากจะให้คุณแม่ลองฟังคุณลูกดูนะอย่างตามาเนี่ยตามาในวันวันหนึ่งตามาจะมีแขกเยอะมากนะคุณโยมนะครับพระคุณเจ้าแขกตามาเนี่จะมีตั้งแต่แบบธรรมดาธรราดาที่สุด <c oughs> จนกระทั่งแมาผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองครับโดยมากนะคุณโยมเชื่อไหมทุกวันนี้ตามาไม่ค่อยได้พูดมากเท่าไหร่เวลาแขกมาหาเชื่อครับเออแล้วเวลาเขากลับไปก็บอกวันนี้ท่านวอพูดดีดี ต, ตามาแค่ฟังเท่านั้นนะคุณโยมคพระคุณเจ้าครับเชื่อไหมแค่ฟังครับ ดังนั้นคุณแม่ลองฟังลูกดูสิฟังอย่างลึกซึ้งนะสิ่งสําคัญไม่อาจาได้ยินด้วยหูนะคุณโยมนะครับเคยได้ยินแล้วเจ้าชายน้อยบอกว่าสิ่งสําคัญไม่อาจาได้ยินได้หูคุณแม่ต้องฟังด้วยหัวใจเื่อจะรู้ว่าสารที่ลูกต้องการสื่อ น, นั้นคืออะไรครับอออืยคุณป๊อปครับ เส้นใจค่ะสนใจไปดจะพูดอะไรต่อไม่ไมไม้แล้วผมต่อไม่ได้เฮ้อไปแล้วแล้วค่ะเนี่ยเราไม่อยากจะฟังไม่อยากจะพูดเลยมากแบบพาไปเรื่อยๆเหมือนแบบขอบคุณมากค่ะอ า, าจารย์จริชงชอบค่ะผมผมด้วยนะครับแล้วผมไปเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่จริงๆแล้วเอด้วยความหมายที่เราคุยกันวันนี้นะครับพระคุณเจ้าครับคุณพ๊อครับก็ทุกท่านคุผู้ฟังทุกท่านรู้อยู่ในใจอยู่แล้ว เพียงแต่เราอาจจะมาส ก, กิดนิดๆเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนรักแม่เพียงแต่ว่าวิธีการแสดงออกใช่ไหมครับพระคเจ้าบางคนนี้ ก, ก็ลืมแสดงออกไปเหมือนกันนะครับพระคเจ้าครับเสี่ยงอนเพราะฉะนั้นก็ก็รักด้วยแสดงออกด้วยนะ <c oughs> ตมามีเรื่องนิดหนึ่งที่จะเจอ ม, มานะครับพระคุณเจ้าครับปีที่แล้วตมาตมาสร้างอ๋อสินก็คือตั้งชื่อว่าอ๋อสินแสงทิตย์ครับแต่ก็คือชื่อยอมแม่ที่ก็คือชื่อยอมพ่อนะครับ แล้วมาก็โทรศัพท์ไปไปหาหรือช่างคนหนึ่งมาเออตาหมายอยากจะปั้นโยแม่นะทานไหมเนี่ยอยากจะทาจําชุกสงกรานีเอามารดน้ํำดาหัวท่างก็บอกอู้พระาจ้านั่นทีเดียวมันจะไปทนอะไรเนี่ยนะพูดเสร็จแกก็โบยวายแส่ตาหมายเชื่อไหมพอถึงวันจริงๆมาก็มีรถมิ่งมาจากเชียงใหม่มีพ้าขาวคลุ่มมาด้วยแล้วก็มีคนมาเรียกตาหมาว่าพระอาจารย์มีคนเอาของมาส่งพอตาหมาเดินออกไปเข้าเปิดพ้าขาวดูคนเดียวตมาเบื่อนหน้าหนีเลยอ่ะตาหมาตมาสะเทือนใจจนน้ําตาซึมนะ พเพราะว่าทรายใต้ผ้าข่าวนั้นก็คือรูปเครื่องตัวโยมแม่ของอาตมานั่นเองโอ้โหในชั้นเด็บดิสทรายก็คือตั้งใจปั้นถวายอาตมาภายในอาทิตย์เดียวแล้วเหมือนเหมือนยมแม่มากๆคนเดิมพรอารตมารู้สึกว่าตั้งแต่แม่จากไปแล้วเนี่ยนั่นเป็นครัคร้งแรกที่แม่กลับมาในในแง่ของรูปปั้นแล้วมันมีชีวิตจิตใจที่สุดเลยครับอาตมาเป็นพรอาตมายังแทกล้นน้ําตาไม่อยู่ว่าคุณยมต้องหันหลังแล้วก็ขอทํารายก่อนพระเจ้าครับอืม เป็ครู้สึกที่ดีที่สุดครั้งหนึงหลังจากที่แม่จากไปเป็นเจ็บป่วยนะครับเป็นเรื่องของแม่ด้วยคุณป๊อบด้วยอย่าลืมนะฮะโทรศัพท์ไปหาแม่ด้วยใช่เวลาที่แม่เงียบเลยคุณป๊อบคุณป๊อบคุณป๊อบรู้ว่าคิดอยู่ว่าเราก็มันมีเวลาบางทีเราเราจะลืมนะว่าวันหนึ่งแม่ต้องจากเราไปใชหมคะแล้วเราก็ต้องทำบันทีถ้าเราคิดถึงวันนั้นนะวันที่เราไม่มีแม่แล้วเราจะตอนนี้ปัจจุบันนี้จะใช้เวลาให้กับแม่ให้คุ้มแบบ ใหถพ่ายมากขึ้นแล้วก็พยายามจะใจเย็นกับแม่มากขึ้นสัง 100% พ้าเรายังมีแม่อยู่ไม่อยู่ใจจะต้ดีขนาดไหนที่ยังมีแม่นะะแม่จะมามาจัดรายการวิทยุแม่ก็ไม่ได้ฟังแลยนันี่ขอบคุณเจ้าครับเว่าในวันนี้แม่หลายคนลูกหลายคนนะครับต้อให้ขับรถอยู่อะไรก็ต่างนานาวันนี้ขอให้เป็นวันที่มีความสุขที่สุดในการนอนหลับนะฮะ ไปกลับเท้าแม่ก่อนนอนด้วยนะฮะใครที่ยังมีคุณแม่อยู่หรือคุณแม่อยู่ใกล้ใจนะครับวันนี้อิ่มใจครับพระคุณเจ้าครับเป็นขอให้ทุกคนรักแต่กันแล้วแสดงออก้วยนะนวัตการลาครับพระคุณเจ้าครับนวัตครรมค่ะทุนพรฟ้าครับขอบคุณมากวันนี้รู้ส okay. ึกอิ่มใจแค่ฟังไม่จบแล้วไม่อยากจะพูดให้มากวันนี้ไม่มีคําถามเลยรู้สึกมันรู้สึกหวงไะ น้าว่าทานผู้ ด, ดีมากเลยบนแบบว่านั่นฟังแล้วก็ซึ้งแล้วเขา้าใจแล้วทําไมเป็นพระที่เป็นที่นิยมแล้วก็คนรักมากอุ้ยที่ผมผมน้ําตาซึมเลยนะพูดตรงๆอันนั้นตาซึมค่ะเพราะว่าบางอย่างมันมันไม่มีคําของบางอย่างไม่ต้องอธิบายนะค่ะแล้วไม่ต้องสรรหาคําสวยงามนะอืมของบางอย่างมันจะเรื่องใจแม้กระทั่งการสื่อสารทางเสียงนะคุณพ่อบนาะใช่แล้วก็เดี๋ยวก็ เรายัางไรก็ต้องเจอกันวันที่สิบสองก็คือวันแม่เดี๋ยวเราต้องคุยกันต่อว่าเราไปทำอะไรหรือเปลานะเด้๋ข้างหน้าแชร์กันได้คุณป๊อปโชคดีสวัสดีค่ะเพื่นค่ะสวัสดีค่ะย้ำสิบสองสิงหาคมที่เชียงใหม่ในซาฟารีนะฮะใครจะไปร่วมงานแม่ลูกผูกพันก็ไปได้เดี๋ยวก็มีทายาทมาิดวดานะครับฉลองเดือนแห่งวันแม่จัดการประกวดกิจกรรมแม่ลูกผูกพันรักสัรักตาด้วยนะครับสิบสองสิงหาคมที่เชียงใหม่ในซาฟารีนี่ผก็โปรโมทจังนะฮะ เพื่อจะทําให้รู้ว่าที่ไหนแต่ว่าถ้าไปไม่ได้อยู่ที่ไหนก็อยู่นี่ก็ได้นะครับก็ยังคงอยู่ด้วยความรักและความอบอุ่นมีเอเถาม อ, อขอบคุณที่ตอบเอเอลูกสองขวบนะฮะดิโมรายวันนี้กลับไปแล้วครับอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มความรู้สึกนอนหลับสันดีผู้ที่ฟังใหม่นะครับผู้ที่เป็นคุณนิรุตสิรีจัญญาวันนี้ผมสนรเสริญปัญญาที่วงสวัสดีครับ